นอาตมากลับจากยุโรปพอจะลงโบสถ์ลุกขึ้นมาแต่หัวชนฝาสลบไปเลยและนอนพับไปไม่มีใครรู้เรื่องเลยสักพักตัวสติออกมาช่วยกำหนดรู้หนอเองโดยอัตโนมัติและสติก็ดีขึ้นจึงค่อยๆขยับตัวเข้าหาข้างฝาจับข้างฝาไว้แล้วก็ลุกขึ้นมา เราจึงได้รู้ว่าความตายเป็นอย่างนี้แน่วูบลงไปแล้วไม่รู้สึกสังขารทั้งหลายมันก็แยกแยะออกไปอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามตัวสตินี้ออกมาทำให้เราใจวิวหายลงไปแล้วทำให้เราตากายจับข้างฝาไว้อันนี้คือตัวสัมปชัญญะนี่คือเพื่อนแท้ อาตมามองไม่เห็นใครที่จะช่วยเราได้นอกจากกรรมฐานพ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้ช่วยให้ยกให้หามเก็บของได้แต่ให้ช่วยส่วนตัวในชีวิตของเราเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นพ่อแม่หรือว่าลูกก็ช่วยไม่ได้โยมอย่าเข้าใจผิดว่าเราทำไม่เห็นได้อะไรมีแต่ปวดเมื่อย เห็นพูดอย่างนี้กันหลายคนความปวดเมื่อยนั้นเป็นตัวช่วยเราทำให้เรารู้เห็นของจริงในตัวเองเราต้องทำของเราเองช่วยกันไม่ได้ถ้าจะนั่งกรรมาฐานเอาไปให้คนนั้นคนนี้มันไม่ได้แต่ให้โดยการแผ่เมตตาได้แผ่เมตตาให้เขามีความสุขเหมือนเขามาบ้านเราเราเลี้ยงข้าวเขาไปมื้อเดียวไม่สามารถจะไปเลี้ยงเขาได้ทุกวัน ไม่ใช่แผ่ไปแล้วเขาจะมีความสุขตลอดไปในการปฏิบัติกรรมฐานเวทนามีประโยชน์มากเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นก่อนที่เวทนาจะหายเจ็บปวดมันจะหนักขึ้นและจะปวดทั่วร่างกายมันจะต้องปวดก่อนถ้าไม่ปวดมันจะไม่ได้ผลเหมือนคนเป็นอัมพาตถ้าจะหายต้องผ่านความเจ็บปวด อาตมานับว่าโชคดีที่สุดแล้วเมื่ออายุห้าสิบปีต้องหมดอายุไปแล้วกรรมฐานบอกสติที่เรารวมไว้บอกว่าวันที่สิบสีตุลาคมต้องมรณกภาพและต้องหมดอายุแต่ทำไมอาตมารอดมาได้เพราะอาตมาภาวนาตลอดช่วยให้ต่อรูปต่อนามคือตัวเราทุกคนประกอบได้ขันห้า มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คงเป็นรูปธรรมดาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้รวมกันเป็นนามตัวนามนั้นทำให้เกิดเวทนาถ้าเราไม่มีรูปนามก็ไม่เกิดรูปก็ยังคงเป็นรูปนามก็ยังคงเป็นนามเวทนาเป็นโดยธรรมชาติไม่มีตัวตนแต่มันเกิดขึ้นมาได้ ขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์อารมณ์คือจิตพออยู่ในอารมณ์แล้วเรามีสติสัมปชัญญะเวทนานั้นมันก็หายไปตัวนามนั้นก็บันทึกของดีไว้ในจิตใจเรียกว่าต่อรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ต่อไว้ในตัวเองโดยไม่รู้ในขณะปฏิบัติก็จะเกิดเวทนา ม, มากหรือน้อยแล้วมันก็หาย พอหายแล้วก็หายเจ็บหายป่วยไข้อาตมาจึงได้บอกให้โยมฟังว่าไปวัดกระสิบเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวร อ, อย่ามัวนอนหลงเล่นไม่เป็นการไฟสามกองคอยเผาเราเสมออย่าเลินเลิกควรทำพระกรรมฐานไฟสามกองก็คือโลภะโทสะโมหะ ขอให้มีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานอดทนต่อความลำบากต้องได้ผลดีแน่นอนไม่มากก็น้อยสติสัมปชัญญะเป็นเพื่อนตายไม่มีผันแปรเปลี่ยนแปลงถ้าเราทำได้โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายอาตมาตอนบวชใหม่ๆป่วยทุกวันเป็นลมทุกวันขึ้นศาลาวันพระที่วัดพรม หน้ามืดตลอดสามวันดีสีวันไข้ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ากรรมฐานยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยคิดว่าคงจะอยู่ไม่ได้ต้องศึกข้าวก็ฉันไม่ได้ตอนนั้นผอมมากพอเจริญพระกรรมฐานจึงรู้ว่าเราเคยฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นเ็่งเค่งยิงนกเป็นฟงฟงจึงต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาม า, มากมาย คนที่ฆ่าสัตว์จะอายุสั้นเราได้กรรมฐานช่วยจึงยังชีวิตเราอยู่มาได้จนบัดนี้สติที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นนอกจากจะคอยสกัดกั้นอกุศลธรรมและความทุกข์ร้อนใจที่จะเข้ามาในทางอายตนะภายในทั้งหกแล้วยังเพ่งอยู่ที่รูปกับนาม เมื่อเพ่งอยู่ก็ย่อมเห็นความเกิดดับของรูปนามที่ดำเนินไปตามทวารทั้งหกอย่างไม่ขาดสายการเห็นการเกิดดับของรูปนามนั้นจะนาไปสู่การเห็นพระตร ล, ลักษณ์คือความไม่เที่ยงอนิจจงความทุกข์ทุกขังและความไม่มีตัวตนของสังขารอนัตตาอย่างแจ่มแจ้ง จริงแท้ที่เราจะพบแน่นอนในชีวิตของเรามีอยู่ห้าประการหนึ่งเกิดจริงสองแก่จริงสามเจ็บจริงสตายจริงหพลัดพรากจากกันจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนมากจงพิจารณาให้เกิดประโยชน์ปลุกกระตุ้นเตือนจิตให้เรามีสติว่าเราเกิดมาในโลกนี้แล้วต้องเสื่อมลงทุกวัน ความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่เป็นปกติของร่างกายสังขารเป็นธรรมชาติขอให้ญาติโยมทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในที่สุดความตายจะต้องมาถึงเราทุกคนแน่นอนพระพุทธเจ้าทรงสอนชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์อย่าสร้างทุกข์ให้ตัวเองอย่าทําตัวเองและคนอื่นให้เดือดร้อนอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราอยู่ได้สบายโดยไม่เอารัดเอาเปรียบใครมีความสงบสุขนั่นเอง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมได้รับผลกรรมจากการกระทำของตนทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่จะไม่มีกรรมกรรมมีสองอย่างคือกรรมดีและกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นทำไปแล้วจะเดือดร้อนกรรมดีนั้นทำแล้วจะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตญาติโยมทั้งหลายจงอย่าประมาทการเจริญกรรมฐานเป็นการแสวงหาความสุขความสงบ พยายามตั้งสติอารมณ์สร้างความเพียรสร้างบารมีตั้งใจเจริญพระกรรมฐานมีสติทุกลมหายใจเข้าออกต้องนึกอยู่เสมอว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ร่างกายเสื่อมไปเราต้องแก่ไปทุกๆวินาทีจงเร่งสร้างความดีอย่าประมาทความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ได้รีบทําความดีเสียแต่เดี๋ยวนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่ง บางคนไม่ทันแก่ก็ต้องมาตายบางคนหลงผิดคิดว่าการมีเงินทองเป็นความดีไม่เคยสร้างความดีหาความสุขในจิตใจไม่ได้การเจริญพระกรรมฐานเป็นการสร้างความดีของท่านท่านต้องทำของท่านเองไม่มีใครจะมาแบ่งแจกให้กันได้ถ้าอาตมาแบ่งให้โยมได้โยมก็ไม่ต้องมาทำ แบ่งความดีไปให้โยมคนละกิโลสองกิโลนั้นทําไม่ได้เพราะฉะนั้นของใครของมันต้องทาให้รู้ทําให้แจ้งทําให้เห็นจริงทําให้ได้ผลด้วยตัวของท่านเองชีวิตท่านก็จะแจ่มใสเกิดแสงสว่างด้วยปัญญาแก้ไขปัญหาได้เพราะเราต้องแก้ปัญหาของตัวเราเองเท่านั้นไม่ใช่ให้คนอื่นมาแก้ปัญหาให้ คนอื่นมาแก้ให้ไม่ได้ความจริงทุกก็อยู่ส่วนทุกข์ความสุขก็อยู่ส่วนสุขแต่เราไปเอาทุกมาไว้ในใจแล้วจะเกิดความสุขได้อย่างไรค ว, ความสุขก็หนีไปหมดความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่การเจริญกรรมฐานเป็นยอดที่สุดในพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ได้อะไรเลย เราจะไปอ่านหนังสือธรรมะ ส, สักร้อยเล่มพันเล่มก็รู้แต่หนังสือเท่านั้นแต่ไม่รู้จริงในจิตใจเพราะเข้าไม่ถึงในจิตใจการจะเข้าถึงจิตใจอยู่ที่การปฏิบัติกรรมฐานทาให้แจ้งในจิตใจของเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าผู้นั้นถึงธรรมขอท่านจงถามตัวเองว่ามีสักวันหนึ่งไหม ในชีวิตของท่านที่ได้ใช้ไปด้วยการตามระวังรักษาจิตและประคองจิตของท่านให้น้อมไปแต่ในทางที่เป็นกุศลตลอดวันมีซักชั่วโมงหนึ่งไหมที่ท่านได้ใช้สติเฝ้าดูการดําเนินของจิตเฝ้าดูปฏิกิริยาอันสับสนของจิตที่มีต่ออารมณ์ภายนอกตลอดหนึ่งชั่วโมงหากท่านไม่เคยทําดังนี้เลยท่านจะไม่นึกเสียดายหรือว่า ตลอดเวลา น, านานปีในชีวิตของท่านท่านเต็มใจที่จะใช้เวลาเหล่านั้นไปได้สารพัดอย่างไม่เลือกว่าจะเป็นไปในทางที่เป็นสาระหรือไม่เป็นสาระแต่ท่านไม่ได้ยอมใช้เวลาแม้แต่สักวันหนึ่งหรือเพียงชั่วโมงหนึ่งเพื่อพิสูจน์ศัจธรรมของพระพุทธเจ้า เก็บอารมณ์นั้นบางคนเข้าใจว่าคือการไม่พูดไม่จาปิดประตูห้องอยู่คนเดียวการเก็บอารมณ์หมายความว่าพยายามรักษาสํารวมกายวาจาใจกําหนดอิริยาบถ ท, ทุกอย่างรวมทั้งอิริยาบถย่อยตัวกําหนดนี้เป็นตัวเก็บอารมณ์สํารวมทุกอิริยาบถสังวรจิตตั้งจิตไว้ให้เป็นกุศลคือมีศีลและมีสติอยู่เสมอ ปกติจิตมันคิดหลายเรื่องห้ามไม่ให้คิดไม่ได้ขณะที่เราทำกรรมฐานนี้ถ้าจิตเป็นกุศลก็จะคิดแต่เรื่องกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลก็คิดอย่างอากุศลเมื่อมีความคิดอกุศลนอกลู่นอกรอยก็ปรับความคิดจ น, จนจิตมีแต่กุศลถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเก็บอารมณ์ได้การปฏิบัติกรรมฐานนั้น เราต้องสำรวมกายสำรวมจิตตั้งสติมีอะไรก็รีบกำหนดคือเอาสติไปไว้ที่จิตอย่างเช่นยืนหนอห้าครั้งต้องทำช้าช้าให้จิตกับสติไปด้วยกันถ้าจิตกับสติไปด้วยกันก็เก็บอารมณ์ที่เกิดได้ถ้าเก็บอารมณ์ได้จะมีพลังสูงทำให้รู้ผลตามกฎแห่งกรรม เป็นอันดับแรกว่าเราทำอะไรไว้เราจะได้แก้ไขในขณะปฏิบัติจะได้อโหสิกรรมต่อการกระทาของเราเมื่ออดีตไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรถ้าเราไม่เจริญกรรมฐานก็จะต้องตามล้างตามพานกันต่อไปเหมือนอย่างสามีภรรยาหรือพี่น้องต้องฆ่ากันเพราะเหตุใดถ้าเราเจริญกรรมฐานสะสมบุญไว้มากๆจะรู้ได้ พี่น้องนั้นเขาไม่ใช่พี่น้องกันเขามาเกิดเพื่อฆ่าฟันกันเป็นศัตรูกันเมื่อชาติก่อนถ้าใครจเจริญกรรมาฐานเข้าขั้นจะรู้ได้ว่าที่เ ข, าข้าฆ่าภรรยานั้นเพราะภรรยาฆ่าเขาก่อนจิตสํานึกในวิญญาณจะบอกออกมาว่าเราฆ่าเขาก่อนแล้วเขาจะต้องมาฆ่าเราถ้าเกิดอโหสิกรรมตอนนั้นได้ ก็จะไม่มีการตามเวรตามกรรมตีรันฟันแทงกันต่อไปการทำกรรมฐานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กขอให้ท่านตั้งใจไม่ใช่พอเหนื่อยเข้าเมื่อล้าเข้าก็จะเลิกลาไปก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรการปฏิบัตินั้นต้องทำตามครูทำเป็นขั้นตอนทาให้ละเอียดอย่าให้หยาบทำอะไรก็กำหนดจิต เอาสติใส่เข้าไว้จิตจะไม่ว่างจิตจะวางภาระหมดจะไม่เก็บอารมณ์นั้นมาไว้ในจิตที่เขาบอกให้เก็บอารมณ์นั้นก็เพื่อไม่ให้เอาอารมณ์มาไว้ให้บำบัดน้ำเสียในอารมณ์ที่จิตจึงจะเรียกว่าทำกรรมฐานให้ละเอียดย่างลมหายใจเข้าออกพองนอยุบนออย่ารีบร้อน หายใจยา ว, ยาวๆช้าๆให้ละเอียดแล้วตั้งสติไว้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรมาปนไม่มีนิมิตถ้าเราขาดสติจะมีนิมิตเห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นแสงไฟเห็นโน่นเห็นนี่เพราะสติหมดแต่สมาธิมีมากเราก็ต้องกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอ ที่เห็นก็จะหายไปถ้าเราไม่กำหนดเห็นภาพนั้นจะมาเรื่อยๆ เ, เห็นไปต่างๆนานาจริงบ้างไม่จริงบ้างฉะนั้นให้กำหนดทุกอย่างทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจกำหนดอายตนะธาตุอินทรีย์สัมผัสที่เกิดขึ้นกับจิตตั้งสติไว้ให้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเก็บอารมณ์สอบอารมณ์แปลว่าสอบจิตว่าจะดีหรือชั่ว จิตนั้นได้แค่ไหนเหมือนสอบไร่ก็ต้องมีครูออกข้อสอบตอบผิดก็ตกไปก็เช่นเดียวกับสอบอารมณ์ถ้าไม่ได้อารมณ์ตามกำหนดที่ตั้งไว้ก็ถือว่าสอบตกเรียกว่าสอบยานทำไม่ได้ขั้นนั้นเขาก็จะไม่ให้ฟังเทศลำดับยานเพราะจะให้รู้ล่วงหน้าไม่ได้ถ้ารู้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นวิปัสสนึก นึกเป็นตรงนั้นเลยมันเป็นอุปทานนึกว่าเราได้แล้วนึกว่าเราทำเป็นแล้วมันคล้ายเป็นอย่างนั้นแบบนี้ใช้ไม่ได้การทำกรรมฐานจะหนักขึ้นทุกวันวันเริ่มต้นก็จะหนักน้อยหน่อยนานวันมันจะหนักขึ้นไปหนักขึ้นไปจนทนไม่ไหวทำไม่ได้ถ้าเราเก็บอารมณ์ได้เราตั้งสติได้ กำหนดได้ทุกอุรยาบทแล้วหนักจะเป็นเบาแล้วเบาก็จะหายไปเลยเขาเรียกว่าจิตมันเบาเพราะเหตุที่ไม่เอาของหนักมาไว้ไม่หาบหามของหนักไว้บนบ่า การเก็บอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญดังที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้วเก็บอารมณ์ทุกอิริยาบถสิ่งใดไม่ควรพูดอย่าพูดสิ่งใดที่ควรพูดก็ควรพูดให้น้อยการทํากรรมฐานเป็นการสํารวมที่ดีที่สุดสังวรจิตตั้งสติไว้แล้วการกําหนดจิตนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ระวังไม่ให้กิเลสเข้ามาระวังบาประวังคือตัวปัญญา มันจะป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายเข้ามาหาเรานี้เรียกว่าเก็บอารมณ์เก็บของดีไว้รงกันข้ามกับคนที่ไม่รู้มาถึงก็มาขอเก็บอารมณ์ขอห้องพักห้องหนึ่งพอเข้าไปแล้วก็ลงกรอนเลยทำหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างนั้นเรียกว่าเก็บอารมณ์ของเขาแบบนั้นผิด เก็บอารมณ์ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ข้าสึกเข้ามาแพ้วพานในจิตใจของเราไม่ให้ความหนักอกหนักใจเข้ามาทับถมใจกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้จิตใจเราไม่แจ่มใสดังนั้นการปฏิบัติก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าใจเร็วด่วนได้ถ้าไม่มีอะไรมาเบรกไม่มีอะไรมาแก้ไขก็ อยากทำตามอารมณ์ตามใจของตนเองคําว่าเบรกตัวนี้แปลว่าตั้งสติมั่นคงศีลก็แน่นสมาธิก็แน่นปัญญาก็เกิดไวแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องการเก็บอารมณ์ตามที่อาตมากล่าวมาแล้วเป็นหัวใจของการเจริญกรรมฐานเก็บอารมณ์เก็บแต่สิ่งที่ดีขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันชั่วร้ายออกจากตัวเรา ด้วยการกำหนดจิตตั้งสติไว้ให้มั่นก็จะมองเห็นชัดต่อเมื่อจิตใสแล้วก็บำบัดน้ำเสียในหัวใจหัวใจก็แช่มชื่นอารมณ์ก็ดีเมื่ออารมณ์ดีแล้วสิ่งทั้งหลายก็จะดีตามไปหมดจิตใสใจสะอาดปราศจากมนทิน ปฏิบัติธรรมในสมัยก่อนอาตมาให้เก็บอารมณ์นั่งในห้องของใครของมันสมัยนั้นคนน้อยอย่างมากก็ไม่เกินสาสิบคนเพราะมีห้องจํากัดเป็นห่วงว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะทําไม่ได้จังหวะสภาวะไม่เกิดสภาวะเกิดนี้ไม่ใช่หมายความว่าต้องไปเห็นนิมิตแต่ต้องการให้เห็นสภาวะในตนเอง สภาพการเป็นอยู่ของชีวิตนี้เป็นอย่างไรจะแก้ปัญหาตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนให้เรากางแผนที่เดินทางเดินทางโดยถูกต้องท่านกล่าวไว้ชัดเจนแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาสมัยก่อนอาตมานั่งเจ็ดวันในโบสถ์เก่าไม่เคยฉันข้าวอย่างนั้นเรียกว่าผลสมาบัติ เราเข้าแล้วออกยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราเข้าผลสมาบัติสักสิบชั่วโมงเหมือนนั่งสองชั่วโมงเป็นห่วงท่านทั้งหลายที่ทำกรรมฐานจะไม่ได้ผลเพราะมันไม่ใช่ของง่ายต้องมีการสอบอารมณ์เพื่อที่จะรู้ว่าได้อะไรบ้างได้ผลเป็นประการใดเวลาที่เดินทุดงไปลำบากมากเจ็ดวันไม่ได้ฉันข้าวเลย ฝนก็ตกบนยอดเขาจะไปบินธบาทที่ไหนก็ต้องอดทนจึงจะอยู่ได้เพราะว่าลมหายใจจะช้าแผ่วเบาเหมือนคนไม่หายใจแล้วอยู่ได้เป็นวันๆไม่มีอะไรเมื่อยปวดถ้าเรากินยานอนหลับก็จะหลับไม่สนิทมันคิดอะไรตอมีอะไรแบบหลับหลั บ, ลบตื่น พอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเพลียมากแต่ถ้าเราหลับในสมาธิของเรานั่งสมาธิของเราถูกจังหวะจักโคนเราจะหายใจไปตามจังหวะอย่าขัดกับจังหวะพอทำหนักเข้าจิตจะเป็นสมาธิมันจะมีมานมาหลอกล่อให้เราเลิกหรือมายุให้รำตำให้รัว่วเลิกเธอะจะทำทำไมไม่เกิดประโยชน์ ความจริงแล้วจิตของเราเองที่คิดไม่ใช่คนอื่นมาบอกเราแต่เป็นมานในตัวเราเองมานไม่มีบารมีไม่เกิดมันคอยอยุแย่ให้เราเลิกถ้าเราทำเลยขั้นนั้นไปแล้วไม่มีมานมีแต่ตั้งใจปุ๊บได้ผลปับ๊บถ้าเราทำได้สะสมมานานแล้วรับรองคิดอะไรจะออกไปเป็นเปลาะเปละเหมือนเราเดินตามแผนที่ และถ้าเรามีลูกไม่ว่ากี่คนจะรู้แผนที่ของลูกทุกคนด้วยว่าลูกคนนี้เป็นอย่างไรทำกรรมฐานกลับไปพอลูกเกเรก็ไปด่าไปว่าลูกอาตมาบอกกับพ่อแม่เขาอย่าไปตีลูกพ่อแม่นั่งกรรมฐานพอทำกรรมฐานเข้าขั้นแปดสิเปอร์เซ็นต์ ลูกจะกลับมาดีหมดเลยบางคนนั่งแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายมากมานมาผจญให้เลิกคิดว่าเราไร้บุญวาสนาจึงไม่สามารถเข้าขั้นนั้นได้เขาเรียกว่ายานหอบเสือหอบเสือกลับบ้านทุกคนหากข้ามขั้นนี้ได้ไม่มีเบื่อมีแต่ขยันคนที่มาปฏิบัติต้องผ่านประตูนี้ไปทั้งนั้นความเบื่อนี้เป็นมานเรานั่งสมาธิ จะผ่านประตูมารมานี้เป็นกิเลสมารมียักษ์เข้ามาจะให้เลิกท่านชนะด้วยชัยมงคลคาถาก็คือสมาธินั่นแหละชนะมารถ้าเราเข้าขั้นชนะมารแล้วจะทำอะไรดีหมดขั้นต้นมันจะนึกเบื่อนายอยากจะเลิกไม่อยากทำอยากจะเที่ยวไปการนั่งกรรมฐานจะปล่อยไปตามเรื่องไม่ได้ต้องมาสอบอารมณ์ทีละคน บางทีถึงตีสามทำได้แค่ส0สิบคนเท่านั้นผู้ปฏิบัติรุ่นเก่าคนหนึ่งนั่งได้ถึง8ปสชั่วโมงคือหมอชะลอพอนั่งถึง8ปสชั่วโมงก็ปวดศีรษะเป็นกำลังเราก็บอกให้กำหนดนะคุณหมอก็กำหนดปวดหนอปวดหนอกินยาก็ไม่หายอาตมาก็บอกตายให้มันตายสิหมอแป๊บขึ้นศีรษะแล้วก็หายเลย พอหายก็ระลึกชาติได้ในอดีตชาติหมอฉลอเป็นลูกมอนที่ราชบุรีวันหนึ่งนี้พ่อแม่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนกับพี่ชายไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนชวนไปปล้นเขาแล้วพี่ชายฆ่าคนที่เป็นสามีตายคาบันไดให้หมอฉลอฆ่าคนที่เป็นภรยาที่กำลังอยู่ไฟ เพื่อนของพี่ชายบอกให้แทงลูกที่เกิดมาได้เจ็ดวันให้ตายแล้วเอาดุ้นฟืนที่เป็นไม้สแกจุดไฟเผาบ้านหมอชลอระลึกชาติได้ตอนนั่งกรรมฐานแล้วก็ลืมอาตมาจดเอาไว้ต่อมาหมอชลอไปค้าไม้ไผ่ไม่ร่วกที่จะต้องล่องแก่งเลยถูกเขาฆ่าตายตรงนั้นตรงที่ไปฆ่าเขาเพราะฆ่าเขาเขาเลยต้องฆ่าบ้าง ฆ่าหมอชะลอในน้ำตายคาบันไดบ้านหลังนั้นภรรยาหมอชะลอคือแม่ทองใบก็ตายด้วยเพราะหมอชะลอไปฆ่าเมียเขาแม่ทองใบไปทำไร่ตัดไม้ร่วกล่องแก่งที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีคนมาถา ม, ถามถึงหมอชะลอบ่อยๆว่าเป็นอย่างไรบ้างมาถามกันหลายคนก็พูดเสียจนแม่ทองใบเส้นประสาทแตกเพราะนึกถึงความหลังที่ผ่านมา แม่ท้องใบเลือดออกทางปากหูตาเตรียมจะทาบุญให้หมอชะลอในวันรุ่งขึ้นแล้วกลับมาตายเสียก่อนนี่เป็นกฎแห่งกรรมเหมือนพระโมคคลาก่อนจะนิพพานต้องให้เขาทุบก่อนโจนนั้นคือพ่อของท่านเมื่อชาติก่อนภรรยายุให้สามีไปทุบพ่อที่แก่และตาบอดทุบแล้วพ่อเขาก็บอกว่าข้าเราเธอเราแก่แล้วแต่อย่าฆ่าลูกเราเรารักลูกเรามาก เท่านี้พระโมคคลาก็คิดหันมุมกลับได้ขอขามาลาโทษแล้วพาพ่อกลับบ้านแต่พอไปถึงบ้านก็ถึงแก่ความตายด้วยทนเจ็บปวดรวดร้าวไม่ได้ต้องขออโหสิกรรมไม่เช่นนั้นนิพพานไม่ได้ขนาดเหาะเหินเดินอากาศได้พอโจรเข้ามาก็เข้าฌานสมาบัติเพราะว่าสำเร็จหลายอย่างก็รู้เลยว่าโจร น, นั้นคือพ่อของท่านมชาติก่อน แต่ก็นึกในใจว่าตนต้องถูกฆ่าตายจึงจะนิพพานได้ถ้าไม่โดนฆ่าตายนิพพานไม่ได้นิพพานแปลว่าศูนย์กิเลสหมด